ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพอดีวันเสาร์นี้เป็นวันวิสาขะบูชาอัตมีคือเป็นวันบูชาที่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับเปือนวิสาขะ ท, าทรงกับ ว, วันถวายพระเพลิงพระพุทธสริระของพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญ พอพอก็พอๆกับวันแรกมีการทําสัการะ บ, บูชาเหมือนกันมีการเทศตลอดทั้งคืนเหมือนกันแล้วต่อมาในยุคหลังก็คงจะกระชั้นกันได้ยังไงนะก็มีทําอยู่ชีวิตใหญ่ไม่เท่าไหร่บางคนส่วนมากก็ไม่เคยทราบว่าพนธมีบูชาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีความสําคัญยังไง เราทราบแล้วว่าพระเจ้าได้สเสด็จ ด, ดับขันธพนิิพานเมื่อวันเพ็ญเดือนหแตอนที่ประชนอายุครบ8ปดสบพรรษาพระสรุมาแล้วได้สี่สิบห้าปีการสเสด็จ ด, ดับขันธพนิณิพานนั้นเป็นการนิาพานธที่สารปรโนทยานเมืองมัลละ คือตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยคือถ้าเราดูที่ประสาวุกรูปอื่นนิพานแล้วก็เผากันเลยเนะฮะหรือมันได้เก็บไว้แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราดูในตอนต้นๆมันก็จะเห็นว่ายังคงรักษาประเพณีคือเผาในวันนั้นเหมือนกันเนื่องจากว่านิพานในตอนกลางคืน พระนนแก็ไปแจ้งให้ทางเจ้ามัลละกษัตริย์ที่ทราบไว้ไปถึงปรากฏว่าพวกนั้นก็ประชุมกันอยู่เพื่อกันคือปริบโต ก, กันอยู่เพื่อกันว่าวุฒิเจ้าจะนิพพานจะทํำยังไงจะจัดการกันยังไงแต่มัลละเหล่านั้นก็มาปฏิบัติตามที่พระเจ้ารับสั่งเป็นรับสั่งเล่านะไม่จะรับสั่งสั่ง คือพระนรได้ถามถึงวิธีปฏิบัติในระพุทธสรีระอวธรรมกันยังไงพระเจ้าก็ปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของชาวบ้านให้เราสังเกตเราตรงนี้ถือเป็นเรื่องชาวบ้านนะครับลูกศิษย์ที่เป็นคารวะไม่จะรู้สิทธิเป็นพระพระนรินท่าก็ฉลาดท่านถามใหม่ท่านกระทุนถามว่า แต่เผื่อว่าลูกศิษย์ที่เป็นคารวาสเขามาเรียนถามว่าปฏิบัติในพุท ธ, ธิริระอย่างไงก็จะบอกเขาได้ถูกกระสังว่าก็ทำเหมือนกระสบของพระเจ้าจักรพรรดิดีทำศุกร์ของพระเจ้าจักรพรรดิก็คือเอาผ้าขาวที่ทรับด้วยสํมรีแล้วก็พันมัดล้อม ล้อมสรีระเนี่ยฮะห้าร้อยชั้นแล้วก็ใส่ในนาลรางเหล็กรังเหล็กนั้นก็มีน้ำมันแล้วก็ํำไปเผาเขาดูไม่ค่อยยุ่งยากอะไรนะฮะนเจ้ามันละก็มาปฏิบัติตามนั้นมันแสดงอะไรหลายๆอย่างนะคือว่าพวกมันละที่จริงก็เป็นกษัตริย์ แต่เป็นกษัตริย์ที่ปกครองด้วยระบบถ้าถ้าเรียกปัิุบันเนี่ยเเรียกว่าพิชณาทิปไตยแต่สมัยนั้นก็เรียกว่าสามกีธรรมแต่ค่อนข้างผู้ขาดตัดตอนนะฮะเป็นเรื่องของกษัตริย์มรละโดยเฉพาะความมาพวกราชวงศ์เป็นรวมตัวกันเป็นรูปสภากษัตริย์ มีกิจการอะไรก็ปรึกษากันแล้วก็ลงมติก็ทําำไปตามที่ปรึกษาการจัดการผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบในตําแหน่งพวกแม่ทัพผู้เสนาบดีพวกอะไรใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นกษัตริย์ในวรรณะเหมือนกันพวกนี้ปกครองแบบเดียวกัน3าสี่เมืองนะคือมละพวกปาวาพวกเทวตหะแล้วก็บิลพัท์เนี่ยปกครองแบบเดียวกัน เขาเรียกสมัยนั้นว่าสามัคคีธรรมดังนั้นพอทำลายสามคัคคีแตกมันก็แตกกนนะฮะอย่างนี้ิชวีก็คือพวกในแคว้นวชีเนี่ยเอาปกครองแนวนี้เหมือนกันถูกทำลายสามคัคคีมันก็แตกกรุราชคือก็ตีเอาได้ พวกมันละเหล่านั้นมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากทุกเรื่องในทําเองหมดเลยไม่ให้แม่ค่าราชการทําเลยทำด้วยมือตัวเองหมดไม่ว่าจเจ้าผ้าขาวมาขอคุ้มพระพุทธสรีระสํานีทรัพย์ภายในจัดการเอาหีบเหล็กมาใส่น้ามันมาฉลุแตเราถึงหามนะฮะเราหามก็มันละปาโมกปรมุกมันละแปดท่าน ก็เป็นวัวหน้าในนามสกุลแต่ว่าเกิดสกุลในแต่ละสายแต่สายใกล้ๆกับครอบครัวนะฮะแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวก็นามสกุลเดียวกันแต่ว่าแต่ละครอบครัวครอบครัวก็ไปหามพระพุทธสิระหามก็ต้องการจะออกทางชิดหนึ่งแต่ว่าเพื่อประชาชนได้ถวายบังคมบนเส้นทางแลจะนำไปเผา แต่ว่าปรากฏว่ายกไม่ขึ้นนะฮะเพราะความคิดของมันละมันขัดแย้งกับความคิดของเทวดาเทวดาต้องการให้ออกไปทางประตูเมืองอีกด้านหนึ่งแล้ไปเผาที่มกุฏพันธุ์ราชเจดีย์พระนุรุตก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่มันยกไม่ขึ้นนะ่ะมันไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, มไมใช่เพราะอะไรขัดแย้งกับความเห็นของเทวดาก็ต้องทําตามความเห็น ปกมรรคกษัตริย์ที่เป็นใหญ่แปดท่านก็ช่วยกันหามหีบดันดีบรรจุพระพุทธสีระแล้วกน็นำไปวางไว้ปฏิสถานไว้ที่มะกุูดพันธนจะดีที่จริงก็เตรียมจะเผาเลยนะฮะก่อนหน้าศึกษาก็คือมกุูดพันธนะแปลว่าผูกมงกุฎนะฮะพูดง่ายๆว่าคือเป็นที่กระตา ประกอบพิธีบรมราชาพิเศษของกษัตริย์มัลละแสดงบนสถานที่สําคัญมากนะฮะสถานที่ที่ดูเหมืจะสําคัญที่สุดในแควนมัลละเพราะว่าเป็นที่บรมราชาพิเศษกกล้ๆกับพระที่นั่งบางองคภายในพระมรรคชวังอีกทีบางดีก็ไม่ได้เปิดเลยนะไม่ได้เปิดมาใช้สอยเลย เพราะว่าไม่มีพิธีสําคัญขนาดนั้นด้านการที่มันละถวายพระเพลิงพระพุทธสิริราชบน ท, ที่นั้นก็แสดงกลับมาที่ศรัทธาดิฉันเรานั้นมีต่อพระพุทธเจ้าอย่างเหนียวแน่นจริงๆเนี่ยเอาที่สูงสุดของตัวเองมาถวายพระเพลิงดังหมายความก็ก็อย่างที่เราเห็นเป็นเนินเป็นเนินหินเนินดินในปัจจุบัน ก็มีอิดมีไรเยอะมาลาก็เตรียมเข้าไปจะเผาแต่ว่าจุดไฟไม่ติดนะจุดไฟไม่ติดพระนรุธท่านก็บอกว่าเทวดาไม่ต้องการให้เผาก่อนให้เราสังเกตว่าพระนรุธพูดสองคราวนะี้ไม่มีใครเห็นเทวดานะฮะ เพียงแต่ว่ายกขีบศพไม่ขึ้นยกผีประสบไม่ขึ้นแล้วก็จุดไฟไม่ติดเท่านั้นเองนั่นคืออาการเป็นอิทธิฤทธิ์หรือเป็นการบัน ด, ดาลของเทวด า, ตาแต่ว่ามนุษย์นั้นไม่เห็นพระอนุรุตันเห็นด้วยอะไรท่านเห็นด้วยทประจักษุไอตัวนี้มันแสดงอีกแนวหนึ่งนะฮะพระอานนท์เองก็ไม่เห็นนะครับอานนท์ตอนนั้นยังเป็นพระโสดาบั แต่พระนุษท่านเห็นในี้การเห็นเนื้อที่พปิยสูกก็ไม่ได้หมายควารรมวาเห็นเปิดไปหมดเมื่อต้องการจะดูก็เห็นตํานองใกล้ๆการดูภาพจากต่างประเทศข่าวต่างประเทศจากโรทัศน์เนี่ยนะฮะแต่โทรทัศน์วางไว้เฉยๆไม่เปิดหมุนคร่องช่องให้ตรงมันก็ไม่เห็นเหมือนกันที่พยสุกมัก็มีลักษณะอย่างนั้น ท่านพระนุชบอกว่าเทวดาประสงค์จะให้รอพระมหากัสสปะถึงเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่นะถ้าเราลองนับเรียงดูถ้านับเรียงจำนวนเนี่ยพระมหากัสสปะก็คงอยู่ข้างหลังแยะพอสมควรน่ยนะครับแต่นับถึงระดับมาหาสาวกมาหาสาวกซึ่งควายพระจริงๆเนี่ยมีอยู่แปดสี่สิบสามรูป ขภิกษุณีมีสิบสามขายอุบสกมีสิบอุบา h ิกามีสิบก็เรียกพวกมหาสาวกแปดสิบท่านก็พระมหาสปะก็เป็นบวชรุกต้นๆหลังภาษาดีบุตรไม่เท่าไหร่แต่ก่อนพระมหา ก, กัจจายนะปัณฑพระ พระพระรุ่นแรกๆที่เราได้ยินชื่อนะฮะจะเห็นว่าระดับมหาสวก่อนปัญญบุคีก็นับองค์เดียวเฉพาะพระมหาพระพระกรุณธัญะพระยาศรไม่ได้ไม่ได้อยู่ระดับมหาสวกแล้วก็ไปนับที่พระรูปเวลากัจจปะก็องค์เดียวกัสจปะสามองก็นับองค์เดียวพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระโมคคานะแล้วก็พระมหาอัตจปะก็อยู่เราอันดับห้านะฮะต่อไปก็เป็นพระมหากัจจะยนะ ซึ่งเป็นชาวอุเชนีพระมหาสาวกผู้ใหญ่สี่ท่านข้างต้นนะนิพานหมดแล้วพระมหากัจจายนะที่จริงยังอยู่แต่แก่มากก็อยู่ทางแคว้นอวันตีที่อุเชนีก็ไกลไปนะฮะแต่ไม่ได้มาในที่นั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลก แต่นี่คือพระอาหารหันต์เนี่ยท่านก็นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมีหน้าที่รู้เจ้าส่งมอบหมายให้ไปสอนประชาชนที่แคว้นอวันตีนะฮะแล้วพอดีพระพุทธเจ้าท่านไม่โปรดคือไม่โปรดได้มาห้อมล้อมพระองค์ใครทุกคนไปทําหน้าที่ไม่ได้โปรดการห้อมล้อมแม้แม้ตอนพระชนมยุทธ์พ ร, ระชนมยุทธ์สังขารก็ส่งพระชรามากแล้วก็สรงอภิภาษิตด้วยเนี่ย เรไม่ต้องการให้ใครมาพุ่นวายแต่ต้องการให้คนรีบเร่งทำความดีปฏิบัติความเพียรให้บรรลุมรรคผลก่อนพระองค์ป ร, รัตถาก่อนพระคนี้ผ่านได้หลจะดีนะฮเพราะนันพระอาหารหันต์ท่านเหล่านั้นถ้าก็ทํางานในสายของท่านและท่านที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ถึงมีความสํานึกดีที่จะรีบเร่งความเพียรเท่าก็เร่งของท่านเข้าอยู่ตามป่าตามเขาไป เป็นแนวการทล้อมเนี่ ย, ยมันไม่มีพระมหารัตระนั้นได้ทราบข่าวการปฏิพานของพระพุทธเจ้าก็ที่จริงก็รู้ข่าวว่าปรงประชดปอะยุสังขารนนก็แสดงว่าแยกย้ายกันไปอยู่ไกลมากการตุรคุมนาคมมันไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยนะฮะแต่ท่านก็คงจะไม่ ไม่ได้ติดต่อกันในด้าน ใ, ใช้ผู้กับปัญญาเลยท่านมาทราบที่เมืองปวาร์คือรีบมาเฝ้านะฮะแต่ก็มาเจอทราบข่าววั น, นิี้ผ่านแล้วที่เมืองปวารทราบข่าวการประชวนเนี่ยก่อนที่เราก็มองมองเห็นถึงถึงถึงข่าวการปรินิพานของพ ร, ระพุทธเจ้ามันก็สะท้อนอะไรอยู่เยอะนะฮะ คือพระที่ติดตามระหมากราแปะมารู้ข่าว่าพระพุทธเจ้านีผ่านมันก็มีความคิดเอาเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกที่เป็นพระยะบุคคลท่านเรียกว่าเกิดธรรมสังเบสหมายความว่าพอรู้ข่าวตายมันก็ปัญญามันก็ไปจากเห็นความจรงิจรงเขาเรียกว่าธรรมสังเบสคนตายก็ได้ตายไปแล้วมันเรียกว่าธรรมสังเวช เห็นความจริงไม่ได้โศกไม่ได้เสียใจอะไรไม่ไปเดือดร้อนอะไรนั่นก็คือการมีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วก็ถ่ายถอนตนามานาทิฏฐิลงไปได้นะฮะสำนวจนหลวงพ่อพุทธรามว่าตัวกูของกูลงไปได้คือไม่มีทั้งเราตั้งของเรามันก็ไม่มีอะไรตายก็มีแต่การตายแต่ไม่มีคนตายเพราะว่า การยึดมั่นในความเป็นคนเป็นสัตว์มันไม่มีธรรมะท่านเหล่านั้นนันนะฮะผลความโศกอะไรต่างๆก็ไม่เกิดแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่เห็นแนวนั้นพร้อมกับการสะท้อนจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมประการหนึ่งว่าเมื่อความจริงของสังขต ธ, ธรรมทั้งหลายมันปรากฏคือความแก่ความตายการพรัพราการสูญเสียมันปรากฏเนี่ย เราแสดงอะไรแสดงการต่อต้านเดือดร้อนวุ่นวายไหมแสดงความโศกเศร้าเสียใจไหมหรือถ้าแสดงอย่างนั้นมันก็สะท้อนกลับไปที่จิตเมื่อจิตมันก็มีตันหามานะทิ่ถิ่โดยแย่อะไรเกแล้วถ้าเกิดธรรมสังเวชนั่นคือแนวพระอริยะในถ้าเกิดธรรมสังเวชความจริงตามธรรมะจะนด้เคยยกตัวอย่างให้ฟังเรื่อง นางมาริกาพัญญาของท่านพันธุลเสนาบดีที่สามีกับลูกถูกฆ่าตายหมดในคืนเดียวตนรับข่าวแล้วตั้งเฉยๆบางเลี้ยงพระธรรมบุตเลี้ยงพระอยู่พอดีภาษาดิบุตรนั่งเป็นประธานอยู่ตังธรรบุตรเลี้ยงพระไปเฉยๆภาษาดิบุตรท่านคงรู้ด้วยญานของท่านแต่ยังหาจังหวะเทศไม่ได้ วันนี้นางตาสีเดินมาทําไอ้ถ้วยแตกถ้วยมันหล่นสะดุดมุมเสือ่อหกล้มแล้วก็ถ้วยแตกพระสารีบุตรทัานบอกว่าสิ่งที่จะต้องแตกเป็นธรรมดาเมื่อแตกแล้วไม่ควรจะคิดอะไรนางมาลีกว่าก็ดึงจดหมายมาจากชายโพกกองท่นให้อ่านให้ความพระสารีบุตรฟัวงวันนี้ยดิฉันเนี่ย เขาแจ้งข่าวมาอย่างนี้ว่าสามีกับลูกถูกฆ่าตายคืนเดียวยังไม่เสียใจเลยจะเสียใจอะไรกันทั่วแตกทั่วใบเดียวนี่คือเห็นเขาเรียกว่าธรรมะสังเวชท่านใช้คําอย่างเงี้ยนะธรรมะสังเวทสังเวคะนะฮะสังเวคะที่เราสวดธรรมะเช้าตอนเช้าอิทัตตถากโตนะฮะคือตรงเนี้เขาเรียกว่าธรรมะสังเวคะในจุดนั้นท่านลองสังเกตว่าฮะ จะพิจารณาไปเรื่อยๆรูปังนิจังเวทานานิจจสัญญานิจจสังกลานิจจวิญญาณังนิจังใ น, านงรูปั ง, น, ง, ปงนัตตาเวทนานัตตาเนี่ยจะว่าไปเรื่อยๆอันนั้นเรียกวธรรมสังเวชหมายความมันเป็นยังไงก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยอมรับความจริงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเราดิ้นรนเดือดร้อนไปมันก็เท่านั้นเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาคนที่จะตายเขาก็ตายนะะ เราทำมาเราเกือบตายด้วยคือมันโศกก็เรายังไม่ถึงตายเลยรไม่จะไม่ไม่จำเป็นจะองเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นพระกลุ่มนี้ทั้งก็โศกร้องผ่มร้องไห้เสียหกวเสียใจกันมากประมากศตปปะทั้งก็เตือนสติทั้งก็ให้สติแต่มีองค์หนึ่งที่แหลมออกมาคือทันสุภะท า, าอุทาบุพชิต ดีใจนะฮะพระกุบบาลนิพพานได้ดีใจจังเลยทีนี้จะถามมันทําไมดีใจมันก็สะท้อนจิตอีกก็เราต้องมองภูมิหลังความคิดของคนนี่มันมาจากภูมิหลังของเขาเรื่องเดียวกันนะฮะเรื่องเดียวกันพระเจ้านิพพานด้วยการสาวกแบ่งความคิดออกเป็นสามกลุ่มในกลุ่มนั้นนะฮะกลุ่มที่เป็นบริวารพระมหากัตริ์กลุ่มแรกก็เกิดธรรมะสังเบส กลุ่มที่สองก็โศกเศร้าเสียใจแสดงถึงความรักความเคารพเตือทูลในพระพุทธเจ้าแต่กลุ่มสามแสดงความดีใจแต่มันจะดีใจเฉยๆนะฮะเขาไปบอกเพื่อนว่าอย่าเศร้าโศกเสียใจดีแล้วเจ้านี้ผ่านได้ก็ดีแล้วเมื่อก่อนพระองค์ยังนารงพระชนอยู่ท่านไม่เรียกพระพุทธเจ้าด้วยนะฮะเรียกว่าหมาสมัมภณองค์นี้นะ มันก็เรียกเรืองกำมังเหมือนกันนะฮะค่นี้ก็เรียกว่าเรียกขาดความเคารพคือตามปกติแล้วเราพูดกับคนที่เราเคารพเนี่ยเราจะไม่เรียกชื่อไม่เรียกชื่อท่านตรงๆจะเรียกอย่างอื่นครับยิ่งเคารพมากยิ่งเรียกไกลไกลองค์ออกไปมากเรื่อยๆนะฮะไกลๆก็เรียกในหลวงนะฮะใต้ขวาละองธุรีพระบาทละองยังไม่กล้าเรียกนะฮะยังเรียกใต้ขวาละอองอีกทีหนึ่ง เรียกสังกราชได้อะไรเนี่ยหรือบางทีเราเรียกว่าสมเด็จพระาญาณังวรส์เาไม่เรียกนะฮะก็ไม่เรียกอย่างนั้นคือจะใช้คําแทนเอาถ้าคุยกันตรงๆก็เรียกว่าพระบาทเฉยๆพระบาทเฉยๆถ้ากล่าวถึงก็เรียกว่าสมเด็จพระสังกราชเฉยๆเราจะไม่เรียกเต็มอย่างนั้นนะเพราะสังกราชมีองค์เดียวไม่ต้องรู้ว่านอกจากพูดถึงสังราชองค์กน ก็เรียกว่าเรียกด้วยความเคารพอันนี้ตกปกติเราเรียกว่าพระาศาสดาในกรณีนั้นนะะจะเรียกว่ า, าศาสดาแต่นี้ก็ดันเรียกว่ามหาสมณะ แ, แสดงว่ามันก็เรียกแบบนักบวช น, นอกาศาสนาเขาเรียกกหมายถึงใจที่ขาดความเคารพมันก็จะพรสอะไรได้เยอะก็บอกว่าสมณะองค์นั้นนี่ผ่านการดีแล้วเมื่อก่อนเธออยู่นะฮะ เติร์อยจำที่จำชัยบอกเราอย่างนั้นควรอย่างนั้นไม่ควรห้ามปราบเราตักเตือนเราว่ากราเราเดือดร้อนลาบากปฏิบัติตามมุวาด น, นี่ลาบากอันนี้ผ่านจะได้ก็ดีต่อไปเราเนื้จะทําอะไรก็ทําไม่ทําอะไรก็ไม่ทำนะนะโอ้ความคิดอย่างนี้อันตรายนะฮะความคิดอย่างนี้จะอันตรายมากเมื่อก่อนได้มีการอภิปรายข้างบนเนี่ยหลายปีไปแล้ว คนดังทุกวันนเนี่ยเขาบอกว่าศีลห้านั้นเป็นคําสอนยุคเกษตรกรรมสมัยนี้มันยุคไฮเทคแล้วการรักษาศีลห้ามันก็ล้าสมัยไม่ทันสมัยแต่มาก็นั่งฟังอยู่ด้วยแต่มันก็อยากพูดหรอกบอกก็ลงมาก็เตือนบ่กมันจะมากไปหน่อยนะพูดอย่างเงี้ยเออก็รู้ว่าอายนะฮะคือมันต้องการแสดงอะไรแต่ว่าไม่รับผิดชอบ อเป็นคำพูดที่ไม่รับผิดชอบโลกขาดศีนห้าวันเดียวก็ตายแล้วจะเรียกศีนห้ากาไม่เรียกศีนห้าก็ตามใครจะเรียกอะไรก็ไม่สำคัญว่าสำคัญโดยเนื้อหาจริงๆก็คืองดเว้นการเบียดเบียนชีวิตร่างกายทรัพย์สินผู้ครองของการละกันการติดต่อสื่อสารการก็งดเว้นการพูดในทำนองทำลายล่างกันงดเว้นจากสิ่งที่ เป็นภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพสิ่งเสียติดตั้งหลายมันก็เป็นภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพมันขาดไม่ได้นะฮะยิ่งยุคไฮเทคและ ย, ยิ่งแล้วใหญ่เลยในนี้เราไม่รับผิดชอบเพราะคําพูดใ น, นนี้เราจะเห็นว่าไม่รับผิดชอบเมื่อาศาสนิกมาให้ความสําคัญในคําสอนอสาศาสดาต่างคนต่างปฏิบัติตามอัธยาสัยมันก็จบนะฮะ เหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรก็ประชุมกันคน360ต่างคนต่างก็ทำอะไรมันก็มั่วหมดอนี่ยจะทำอะไรตามชอบใจตัวเองล้วก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีระเบียบในการอยู่ร่วมกันแต่ถามมาทำไมท่านคิดอย่างนี้คือเราจะเห็นถึงกิเลสสองตัวนะฮะที่เคยที่เคยนิยามไว้ท่านทั้งหลายตั้งเกตว่าคือเราไม่ต้องเรียกชื่อเรียกชื่ออย่างไงาก็ได้ กิเลสประเภทพากัมหากับกิเลสประเภทผลักออกเนี่ยกิเลสประเภทพากัมหาอาจจะเรียกว่าราคะโลภะราติตัณหาเรียกได้เยอะแยะหมายความว่าไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นแล้วก็ทะนุหวดทนุถนอมมองแหนรักษาไว้แล้วก็อยากได้ต่อไปพอสิ่งนั้นเสื่อมไปก็จะสูบเราจะเห็นว่าภาษาว่ากลุ่มกลุ่มกลุ่มที่สองไง น, นะ กลุมที่สองมีความรักในพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นสัตตะทิฏฐิอยู่คือต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไปจะถามดำรงร ง, งดำรงอยู่เพื่ออะไรมันเพื่อเราเะนะีรงอยู่เพื่อเราไม่ใช่เพื่อท่าน นะท่า น, ท, านทั้งสอเสร็จภารกิจของท่านแล้วสิ่งที่อย่างที่รับสั่งไว้ก่อนจะนิพานเนี่ยรับสั่งว่ากิจใดที่าศาสดาผู้เอนดูจะพึง ท, ทําแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นสาวกตถาคตก็ได้ทําแล้วตถาคตไม่มีอาจารยมุติคือไม่มีกำมือของอาจารย์ไม่ได้ป ก, ป, ก, ป, กปิดอะไรไวนะ้สิ่งที่ควรบอกได้บอกหมดแล้วสิงที่ควรให้ได้ให้หมดแล้วนะฮะแต่ไม่ได้ความว่าสิ่งที่รู้บอกหมดนะฮนะ แต่ว่ามาสิ่งที่รู้บางอย่างมันไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้บอกที่เราพูดกันว่าคําสอนเหมือนกับกามือเดียวนะฮะใบไม้ในกามือเดียวใบไม้ทั้งป่าแต่ว่าที่สอนก็สอนเฉพาะเรื่องของทุกเหตุเกิดทุกความรับทุกข้อปฏิบัติถึงความรดับทุกเท่านั้นเองฮะในพุทธศาสนาก็สอนอยู่สีเรื่องใหญ่ซึ่งมันกงหมดโลกนะหมดิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว พราะสิงทั้งปวงมัก็อยู่ในกรอบของอริยสัจทีนี้กิเลสประเภทผลักออกเนี่ยกิเลสท่านกลุ่มเหล่อนี้ท่านจะเศร้าโศกเสียใจนะฮะกลุ่มกลุ่มที่สองเห็นไหมเศร้าโศกเสียใจจึงมีแสดงถึงราคะโลภะอยู่เห็นไหมสแสดงถึงมีราคะโลภะอยู่มีความพอใจใดอยู่ในตัวอาจารย์นะฮะในตัวของอาจารย์ไม่ใช่ในธรรมของอาจารย์ก็ยึดถือในตัวตนนะฮะ แตดงก็ยังยึดถือในตัวตนก็เป็นของเราของเราของเรานะฮะเราเป็นนกเขาก็ร้องของกูของกูเนะี่ยแตกไม่ได้ทําลายไม่ได้ตายไม่ได้นะฮะพอตายแล้วก็ร้องให้ใจใจอีกหนึ่นนงกิเลสประเภทผลักออกคือกิเลสประเภทโทสะอาจจะเราเราพูดว่าความไม่ยินดีความไม่พอใจความหมงุดหงิดความงุนง่านความมาคาดความบพอใจความโกรธความจองเวรกันแล้วแต่นะฮะมายความมาต้องการทําลาย ต้องการเห็นการทำลายการปิบตัติการสูญเสียการไม่มีไม่เป็นก็สิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดมีเกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ชอบต้องต้องอยู่ร่วมไปร่วมนั่งร่วมนอนร่วมกินร่วมกับคนที่เราไม่ชอบหรอกนักเกตดูนะฮะเมื่อไหร่มันจะไปนาตีมัมนแบบจะตายนาตีคือนึกช่งอย่างนั้นนะใจมันก็ น, นึกช่งอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าเขาไปจะได้เนี่ยดีใจ ดังนั้เราก็อนกลับไปเราเห็นว่าเห็ น, หนไหมต้องการจะให้ท่านเห็นนะธรรมะเนี่ยตรงนี้มันเป็นรูปธรรมมันแสดงให้เห็นกลุ่มแรกนั้นคือแสดงถึงธรรมะที่บริสุทธิ์จะไม่หวั่นไหวในโลกธรรททั้งหลายไม่ว่าจะได้ลาบได้ยศหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศ ถูกนินทาถูกสรรเสริญอะไรต่ะอะไรก็ตามจะไม่หวั่นไหวพวกนี้พวกพวกกลุ่มแรกนะฮะกลุ่มแรกกลุ่มพระมหากัตตาบเนี่กลุ่ ม, มกลุ่มนี้จะไม่หวั่นไหวแล้วพอเข้าถึงธรรมะนะมันเกิดแค่ธรรมสังเวทเท่านั้นเองเห็นอะไรก็เกิดแค่ธรรมสังเวทก็ตกแท่นแค่นั้นนะฮนะด่าก็เป็นคําต่สรรเสริญก็เป็นคำเท่านั้นเองท่านท่านไม่ได้ติดอะไรแล้วแต่กลุ่มที่สองในแสดงถึงกิเลสกระแส ร, ราคะกระแสกังโลกะ พอพระพรากเกิดโศกเห็นไหมพอพระพรากเกิดโศกกรุงของพระสุภัทโธธาปปปชิตนั้นแสดงถึงกระแสโทสะที่มันเป็นพยาบาทเป็นตะกรใจที่นอนอยู่ภายในใจท่านมันก็สืบเนื่องมาจากคนแก่นะคนแก่เนี่ยยังอืนดีนะฮะอย่าบวชแล้วกันบวชได้ไม่เดียวบวชได้มีปัญหาต่างนะ สอนไม่ได้นะสอนยากมากๆเลยคนแก่ร้อยคนหนึ่งสอนได้ดีสักห้าคนนี้บุญมากอย่าบวชนะอามาก็แก่แล้วเหมือนกันนี่ยนะฮะแต่ว่าคือสรุปว่าคนแก่เนี่ยอย่าบวชแล้วก็ดีเพราะบวชเลยจะดื้อมากเอ่อท่ า, า, ทานุภะธาตุธาตุปปิจิตเตียงก็เป็นอย่างนั้นก็มีลูกเต้าใหญ่โตแล้วนะมีครอบครัวแล้วก็บวด พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่เมืองนี้ท่านอยู่นานมาแล้วนะฮะหลายเดือนมานะก่อนหน้านั้นมานานท่านกลงกลางนิดหน่อยนะฮะตาที่กลางกลางเนี่ยนะก็ไปบอกลูกชายซึ่งเป็นช่างตัดผมว่าพระพุเทธเจ้าเสด็จผ่านมาเมืองนี้นะฮะเธอไปชักชวนไปเรียกไรชาวบ้านนะ่ะนะคือชาวบ้านในถิ่นนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้รู้จักพระพุเทธเจ้า จะไปบังคับไปไถเข้ามานะฮะของที่ได้เพื่อปัจจัยที่เกิดมาในทางไม่บริสุทธิ์พระเจ้าไม่สวยของอย่างนั้น น, นะนะฮะแต่ท่านนี้ก็ไปทําจัดการหุงต้มข้าวยาคูกันเป็นการใหญ่ท่านสุภะทะลงมือทําเองเลยนะฮะลงกวนข้าวต้มเองเลยทีนี้กวนขาวต้มไปพระผมจิวรมันก็รุงรงังใช่ไหมการแต่งตัวมันก็เอาจีว ร, รมามัดเข้า เลยก็ไม่เรียบร้อยแล้วก็นอกนอกวัดด้วยพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยท่านก็ถือไม้พายที่กวนไอ้ข้าอยาคูนี่แบกไปเลยนะเดินแบ ก, ก่าแสดงมาขยันนั่นะฮะตางกันนะว่าขยันถึงก็กราบถูนพระพุทธเจา้า่าเสีย ม, มหาในรับเสด็จว่าโดนดุตรงนั้นเลยโดนดุตรงนั้นเลยมันผิดเรื่องหมดนะนะมันผิดเรื่องหมด นี่คือพระพุทธเจ้าเราจะพบว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ใครเรียกว่ากนาบแล้วกนาบอีกนะฮะดูแล้วดูอี ก, กรนาบแล้วกนาบอีกยกย่องใครดีก็ยกย่องใครผิดก็ตําหนิกันตรงนั้นเลยไม่ได้สนใจใครนับถือไม่นับถือใครกลัไม่ใครกลัวพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าสนพระไทยเฉพาะธรรมะที่คนนั้นจะได้เท่านั้น ไม่ได้สนใจว่าเออพูดอย่างเงี้ยเขาจะโกรธเขาจะพยาบาทเอาเขาจะจองเว้นเอาไม่ไม่ได้สนมะไทยตรงนั้นเพราะสนมะไทยตรงนั้นทําไม่ได้นะฮะเราจะต้องมองเรื่องการทํางานทำความดีของคนเราคือเราจะคิดว่าเราทําดีแล้วทุกคนจะว่าเราดีนะฮะแต่เราต้องรู้สึกว่าเราได้ทําดีก็พอแล้วเช่นสมมติเราจะสอนให้คนงดเว้นจากการดื่มสุราได้ไประสบความสมําเร็จคนโลกดื่มสุราเนี่ยฮะ จะลืมมาเจ้าของโรงเหล้ามันจ้างยิงทุก ว, วันอย่านน ะ, ะคนี่เลิกดื่มธุราเขานับถือเราแต่เจ้าของโรงธุราเนี่ยเขาเกลียดเรานะฮะเห็นไหวาการทำความดีทุกเรื่องจะต้องมีคนสูญเสียผลประโยชน์การสอนให้คนงดเบนไปเที่ยวบาร์เที่ยวกลับเที่ยวเทคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีน ะ, ะสมับคนที่ไม่เที่ยวแต่ว่ากลุ่มผลประโยชน์เหล่านั้นก็ต้องไม่ชอบ พะการเตือนตรงนี้เราจะพบว่าที่จริงก็คนอื่นได้แบบอย่างเยอะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่โปรดแล้วก็ผิดวิสัยของส ม, มณะสุภัตตก็โกรธนะฮะโกรธตั้งแต่วันนั้นนะะเพราะงั้นโกรธขนาดศาสดาตัวเองเนี่ยไ ม, ไม่ใช่ธรรมดานะฮะคือแย่มากๆเลยแย่มากๆแล้วก็ท่านก็พยาบาทด้วยเพราะงั้นการนิพพานของพระพุทธเจ้าท่านจึงรู้สึกดีใจ ทีนี้สมมติว่าความคิดเหล่านี้มันเกิดแพร่หลายออกไปมากๆเนี่ยศา ส, สนาก็อยู่ไม่ได้เพราะศาสนาในระดับของวินัยเนี่ยมันเป็นคําสั่งมันลักษณะเป็นคําสั่งเป็นกฎเกณฑ์ที่มีการลงโทษมีการทาหนิกันโดยบุคคลเลยนะฮะบุคคลเป็นผู้ลงโทษบุคคลเป็นผู้ตําหนิ้แต่เรื่องธรรมะนั้นเป็นเรื่องกรรมหมายความว่าเออ ใครทำก็รับผลไปไม่มีใครไปลุมโทษหรอกตัวเองก็ลุมโทษตัวเองแม้เป็นกระบวนการการกรมแต่วินัยเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นวินัยนอกจากจะบางอย่างเป็นกรรมตรงก็เฉยนะฮะก็ผ่าตัดอะไรก็เฉยๆบางทีกคุยหมอไปด้วยนะไม่ต้องวางยาตลบอะไรท้านนะคุยไปด้วย พาก็คุยไปตรงนั่นตรงนี้ก็นั่งเล่าไปด้วยเกิดอาการอย่างนั้นอย่างนี้ไปไม่ไม่จะเล่นนะนะยใจขณะนี้ไม่ใช่เล่นเลยแสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าท่านไม่ได้แสดงอะไรให้ใครเห็นว่าท่านท่านท่านเป็นพระกรรมฐานหรือพระอะไรท่านไม่ได้ม่แสดงอะไรเลยแล้วไม่มีใครรู้ว่าท่านอยู่ในห้องทําอะไรท่านเจริญกรรมฐานนั่นเจริญปาสนาไม่มีใครรู้ท่านตลอดประชดมระชีพไม่มีใครรู้ว่าสมเด็จเจริญกรรมฐานหรือไม่นะฮะ แต่พอมาถึงตรงนี้เราเห็นว่าใจไม่ธรรมดาก็แสดงอะไรแสดงก่อนหน้านั้นท่านต้องจเจริญเรื่องนี้อยู่เยอะเพียงแต่เราไม่แสดงนะฮะไม่แสดงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเขาไม่แสดงเขาไม่อวดดีนะฮะคือดีมันก็อยู่ที่เราทำเองการอวดดีเนี่แสดงว่าไม่มีดีเพราะอะไรเพราะการอวดนี่แสดงถึงความโลภ อยากดังนะฮะการอวดทั้งหลายนะี่คืออยากนะโฆษณาสินค้าทั้งหลายนะี่โฆษณาด้วยความอยากนะโฆษณาโปสเตอร์ของผู้แทนนะคือความอยากเป็นผู้แทนนะโฆษณาสินค้าคืออยากขายสินค้านะฮะเราจะต้องมองกลับไปดีนนี้จริงๆก็คือโลภะโลภะแล้วบางทีมันก็มองเมานะฮะมองเมากัอื่นก็นนอื่นก็เกิดโมหะโมหะเสร็จแล้วก็เกิดโลภะก็กลายเป็นเครื่องมือคนเหล่านั้น จะบพวกสิ่งเสพติดอะไรแต่ไรบางบางอย่างเราจะเห็นว่าคนเขไปติดกันเป็นแถวนั่นก็คนทํานั้นทํำด้วยโลภะโมหะที่แรงแต่คนหลงมันก็เริ่มด้วยโมหะล้วเกิดโลภะอาจจะอยากลองก่อนนะนะแต่ในสุดก็มีทั้งโลภะโมหะมันก็ไปกันในกระบวนการนั้นนี่คือธรรมะที่เป็นรูปธรรมจากคนสามกลุ่มเหล่านี้ยเราเห็นว่าธรรมะมีอยู่สามกลุ่ม อาการมีสามกลุม่มกิเลสสองกลุ่มนะคือโลภะกับโทสะและธรรมะก็หนึ่งกลุม่มคือเป็นผลผลตรงนี้ใครไปอยู่ก็เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันในโลภะกับโทสะใครไปจิตไปอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนอาการพวกเนี้พของแตกของหายอะไรแต่อไรออออกเ็เสียอกเสียใจเสียดายนอ น, นอนเป็นทุกข์อยู่เ ป, เป็นการเพิ่มทุกข์แก่แก่ตัวเองกิเลสจะเพิ่มทุกข์แก่แก่ตัวเอง นอกจากแรงเนี่ยจะเพิ่มทุกข์แก่คนอื่นด้วยนะฮะแต่ถ้าเบาๆบอบๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าเพิ่มทุกข์กัแก่เราฮะเช่นสมมติความพยายามเนี่ยเราพยายามใครก็ไม่รู้แล้วคนที่เราพยายามเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้อาจจะนอนหลับแล้วนะแต่เราก็นอนไม่หลับหิดแค้นต้องการทำลายต้องการโทกวอย่างนั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเพิ่มทุกข์กแกตัวเอง ก็กเลสเป็นเอเรเกตุกอิตะแรงออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทําก็เพิ่มความเดือดร้อนในแก่ตัวเองเดิมก็ตีกลับมานะเพิ่มความทุกข์แก่ตัวเองไม่ว่าจะเป็นโลภเป็นโกรธก็ตามนะอ่านข่าวหนังสือพิมพ์วิเคราะห์ธรรมะที่เป็นรูปธรรมนะจะเห็นนะก็ตกลงในที่สุดประมาากตปะก็รีบเดินทางไปนะฮะไปเฝ้า ไปถึงก็ถวายบังคมในด้านพระบาทถวายบังคมที่พระบาทของพรจะพุทธเจ้าก็ด้านพระบาทนะฮะว่าจริงๆ เ, เวลาเราทําเราทําพระบาทโผล่มาไม่โปร่ลงโปลน้ำมันหกหมดอลยเกือบๆ ค, ค, คือเราทําเราก็คิดคิดเราก็ลืมคิดเรื่องอื่นน ะ, ะเราคิดลืมปกติไ อ, อ, อ้สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งที่ขีดเขียนขึ้นมาเนี่ยฮะ เราลืมไปว่าเขาบอกกราบที่พระบาทไม่ใช่กราบตรงพระบาทหรอกแต่กราบที่ที่พระบาทอยู่กราบนอกฝาหีบนั่นแหละไม่ได้กราบที่ที่ที่ที่องค์พระบาทจริงๆหรอกพระบาทจริงๆมันรางมันมีน้ํามันอยู่นะน้ํามันอยู่ถ้าถ้าพระบาโทโผล่อย่างงั้นมันจะดงน้ํามันก็ไหลออกมาหมดเลยกกราบอ่ะมันก็เกิดเป็นไฟ เป็นไฟที่เกิดจากเทวานุภาพนะฮะหรือพุทธานุภาพมันก็เกิดเรียกไฟชิปนะฮะมันก็เกิดขึน้นแล้วก็เผาพระพุทธสริระเป็นปรากฏการณ์ที่ที่อศัศจรรย์ที่เรียกคำอศัศจรรย์เหล่าเนี้ยเป็นเรื่องที่คนในที่นั้นน่ยนะฮะคนในที่นั้นตรงนั้นซึ่งมีเป็นหมื่นๆเ น, นี่ยน ะ, ะเขาเห็นคือไม่จะเห็นกันคนสอคน และที่จริงคนที่ไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็มาดูนะฮะคนที่เป็นลูกศิษย์ก็มาคนทนที่เกลียดพระพุทธเจ้าก็มาดูตายจริงหรือเปล่าจะสบายใจสักทีนะพวกนั้นก็อยากให้พระเจ้านิพพานนานๆแล้วนะฮะก็มาดูพวกนี้เป็นประจักษ์พยานคือเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นว่เาเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆพอต่อวายพระเพลิงพุต ธ, ธรีระแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ผ้าเนี่ยที่มันดิแปลกคือมันไม่เฉพาะ ชั้นนอกกับชั้นในสุดเท่า น, นั้นเองตรงกลางก็ยังเหลืออยู่498 49 99รอบเนี่ยมันยังเหลืออยู่นี่เป็นปรากฏการณ์เนี่ยแล้วในส่วนพุทธศีระมันก็ไหม้ไปเฉพาะตัวเนื้อตัวเลือดตัวอะไรตนะัวอะไรเนี่ยนะฮะพวกส่วนอื่นๆมันเหลือส่วนอื่นๆนี่จะเหลืออยู่ที่เราเรียกกลายเป็นธาตุ แต่ทีนี้พวกาธาตุเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าที่น่าคิดนะฮะว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกว่ามีคนก็บอกก่าได้พระาธาตุตรงนั้นตรงนี้นะฮะเคยพบพระเทรา่ารูปงท่านมีเป็นปิป๊บๆเผยมาเอามาจากไหนก็ไม่รู้คือเรามองดูถึวงสมัยพุทธกาลว่าพระอาหารหันต์ท่านเกลื่อนบ้า น, านเกลื่อนเมืองไงนะฮะพระอรหันต์ท่านเยอะลแต่ไม่มีใครที่จะเอาพระาธาตุมาได้ ไม่มีใครจะเยาวพระธาตุมันได้รเรียกพระธาตุมันได้อย่นกันไม่มีเลยในตำ น, นานอุานาณาแต่ว่าการการอัญเชิญนะฮะอัญเชิญเสด็จพระรมสาริกธาตุนี้ก็มีแต่ก็มีในคำภีรุ่นหลังซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราตกลงว่าบรรดาพวกนี้ทั้งหมดพระธาตุทั้งหมดเนี่ย ที่กลายเป็นพระธาตุก็เป็นสส่วนที่เป็นชิ้นๆอยู่จริงๆก็คือพวกพระทนพระเขี้ยวแก้วนะฮะยางเป็นชิ้นไม่ชิน้นเลยเขี้ยวแก้วอเขี้ยวคิ้วแก้วแต่นี้แต่ก็ว่าเมืองจีนก็มีนะมายังนึ้ประวัติศาสตร์ตอนนี้สงสัยจีนโดนลังกาต้มนะฮะไอเขี้ยวแก้วมันมีอยู่สองเขี้ยวเลยนั่นเองนะทำไมมีถึงสี่ห้าเขี้ยวก็เป็นเปล่า คือตอนตอนที่โปรตุเกสมันเข้าครองลังกาเนี่ยโปรตุเกสี่รุนแรงมากใช้วิธีการรุนแรงก็เมื่อก่อนเขามาค้าขายเครื่องเทศแต่พอเห็นว่าประชาชนลังกาในหัว อ, อ่อนมันก็พยายามนําคริสเข้ามาอะโรมันคาตาลิกเข้ามาโดยใช้วิธีการล่อคริสมันก็ใช้อยสองวิธีนะฮะไอ้เดียวนี้วิธีขู่กับวิธีล่อเดี๋ยวนี้ก็ใช้อย่างนั้นเนี่ยฮะ แต่ที้จะให้เขาพิสูจน์คําสอนไม่ไม่ไม่ยอมไม่พิสูจน์ไปพิสูจน์คําสอนพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ชื่อว่าไม่เคารพวันก็จะล่อ ด, ด้วยผลประโยชน์ล่อ ด, ด้วยลาบโดยยศด้วยสรรเสริญเนี่ยให้เงินให้ทองเขาให้ที่อยู่เขาให้ตําแหน่งเขาอะไรอะไรเนี่ยเพื่อให้เขาได้นับถือศาสนาตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือข่มขู่นะใช้วิธีการข่มขู่คุกคามรุนแรงนะฮะ ทีนี้พระเคีื่องแก้วเนี่ยเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจของคนลังกามากเพราะกษระสัดลังกาเห็นว่าจะรักษาไว้ไม่ได้มันก็ปลอมพระเขีื่อแก้วขึ้นมาหาสารเยลยเกลื่อนไปหมดบุเรงนองก็เคยไปได้มาชิ้นหนึ่งเลยสมัยนั้นนะฮะสมัยบุเรงนองอะ่ะสมัยพระเจ้าจากักรพรรดิเราเนี่ยยุคเดียวกันนะพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้ามาหิทินเนี่ยตอนนั้นลังกาก็ถูกปฏิเกศครอบงำ ปลกระ كي ่ยวแก้วลังกาปลอมขึ้นเยอะเลยแล้วเอาประ كي ่ยวแก้วจริงนี่ไปซ่อนไว้เด็ดขาดไม่มีใครหาได้เลยมีคนรู้ไม่กี่คนไอ้โปตุกเกสพวกก็เอาประ كي ่ยวแก้วเนี่มาทําลายเลยฮนะมาตำใส่ในครบแล้วก็ใส่ก็ไปในนั้นแล้วก็สูบละลายเลยแล้วก็ขี้เท่าทิ้งทะเลทําแรงมากนะฮะแล้วตัวหัวหน้านั้นเขาเรียกว่าไอ้ตัวโบ๊ะปะ เรียกว่ากษัตริย์ผู้พิพากติทักพระผู้เป็นเจ้ามีเหรียญช่างเหรียญไม่ได้เลอะเล็กด้วยนะนี่คือลังกาแค้นมากนะตรงนี้ประวัติศาสตร์ตรงนี้ลังกาแค้นมากก็เหมือนกับที่อิสลามไปทําลายเทวานไลของฮินดูนะฮะสมัยราชวงศ์โมกุลเรื่องอํานาจที่ที่ลังกาที่เกิดเรื่องที่โอดที่อโยธยานะฮะไปเกิดเรื่องตีฆ่ากันตายเมืก่อนในพันกว่าคนเนะี่ย เนี่ยมันก็เกิดเรื่องวัตศิศาสตร์อย่างเงี้ยหมายความรศาส์ศาสนาหนึ่งไปย่ำยีศาสนาหนึ่งแรงแล้วลูกหลานเลนในรุ่นหลังมันก็ไปแก้แค้นเหยุการณตั400้งสี่ร้อปีนะสี่ร้อกว่าปีนะเอามายัางยังบุเรงนองก็ได้มาชิดนึ่งนะบุเรงนองลุยน้ำลงรับในแม่น้ำอีราวดีเลยนะลงไปขอเรียนแบบทีพระเจ้าทีวันนำไปจะดิดลง คงทีหลังคงรู้ว่าถูกต้มเนะเลยเงียบไปเพราะพระกแก้จริงๆยังอยู่ทีหลังกาเนะรางวักนก็ยังอยู่ก็ในที่สุดลกูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะว่าคนรุ่นเก่ารุ่นดังๆเนี่ยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยใกล้ตายไปเยอะแต่ถ้าเรามองดูอีกทีหนึ่งว่านางวิสาขาเนี่ยท่านบอกอายุท่านร2อยปี ตอนท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระสโสดาบันเนี่ยท่านอายุเจ็ขวบเท่านั้นเองแล้วท่านก็มาแต่งงานแต่งงานจนมีลูก20สบนะฮะมีหลานเท่าไหร่ล่ะส0 0รนะฮะคือคือ20่คูณยไปเรื่อยๆนะมีเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าอายุร2 0ยปีก็แสดงว่าท่านต้องมีอายุอยู่ ท่านต้องมีชีวิตอยู่ต้องต้องตายหลังพระพุทธเจ้านี้ผ่านพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่แค่หลังจากสาสรุแค่แค่สีห้าปีแต่นั้นเดงแต่ตรงนั้นท่านก็เพิ่งเจ็ขวบเท่านั้นก็แสดงวาายุยังเหลือยัง อ, อยงอีกตั้งร้อสิบสามปีแต่ก็คงอยู่แต่ว่าไม่ปรากฏในที่นั้นอุบาสิกาดังคนหนึ่งที่ปรากฏก็คือพระนางมาริกาดิลาสกีเนี่ยฮะ ท่านเป็นชาวมัลละแต่ก็มาเป็นมเหสีของพันธุละอยู่ที่สาวัตถีพอผัวถูกฆ่าตายก็ลาพระเจ้าประเสศนก็สลไปอยู่ที่นั้นแล้วคนเนี้ยเข้าปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ตัววันรูป ก, ก็มีอยู่นะฮะรูปทีิพแท่นพระพุทธรูปนิพานนะฮะรูปนางมณิกาอย่างมีอยู่ประเด็นมันสำคัญมากอนาต บ, บินนิกาเศรษฐีนี่ตายก่อนแน่นะฮะเราพบในพระสูตรว่าตายก่อนในเจ้าพิมิสารก็ ที่วงโคตไปแล้วพระเจ้าประเสริฐนิโกสุที่วงโคตไปแล้วพระเจ้าสุทโธทนะนิพานไปแล้วพระเจ้าจันทร์ประโชดซึ่งอยู่ไกลแห่งเดียวกับพระหมหากัจจานะเนี่ยที่วงโคตแล้วพระเจ้าอุเทนซึ่งเป็นลูกศิษย์อีกองหนึ่งก็อยู่ไกลนะฮะอยู่โกสัมพีน่าจะยังอยู่เพราะท่านเป็นกรรษัตริย์เด็กไปยังเด็กอยู่เพราะคนที่มาในคราวนั้นมก็มีจัดมากันเจ็ดแปดหมื่น มาขอแบ่งพระบรมสารีการธาตุประบูชาชัน้นแรกก็มันละไม่ค่อยยอมนะฮะไม่ยอมให้ก็เตรยียมจะรบแล้วกวบดีโทนพราหมณ์ท่านก็มาให้สติแล้วเป็นคำที่คมไพเราะมากคือการพูดเนี่ยทันเท้าความไปนะฮะ วัดูราคนาณิกกรเจ้าทั้งหลายพระศาสดาเรานั้นเป็นขันติวาทีทรงสันเสริญขันติหรือความอดกลั้นความอดทนการที่พวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์จะขาดความอดทนภายใต้ความโกรธมายื่งแย้งพระปรมสาวริกธาตุของพระองค์นั้นเราไม่เป็นการสมควรนอกจากจะไม่ปฏิบัติตามคําสอนของศาสดาแล้วเนี่ยจะเป็นการสร้างความแตกแยก กานก็ขอให้มีสมานชันร่วมกันแล้วเราก็แบ่งพระบรมสาลิกธาต์กันแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจความยุติธรรมท่านก็จะอาสารับแบ่งให้ไอ้ตรงนี้คือเหตุหนึ่งนะฮะที่พระพุทธเจ้าส่งมาบปนิพพานที่กรุงกุสินาราเนี่ยเพราะว่าทรงทรงรู้ไว้ก่อนนะัะ ว่าถ้านิพพานที่อื่นแล้วจะไม่มีคนกลางที่จะพูดให้กษัตริย์แ9เ้าเมืองเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ลูกสิทฆ่ากันตายแล้วยุ่งอ่ะเสียชื่อศาสดาตายแ ย, ย่งกระดูกกันเนี่ยนะแต่ว่าทรงเห็นว่าในเมืองเนี่ยมันมีโทนพรามที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์ของพวกกษัตริย์พวกผู้ใหญ่ทั้งหลา ย, ยจะแก้ไขปัญหานเหล่านี้ได้ มันเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าคล้ายๆกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยฮะจำนวนศาสนานั้นใช้คําดีกันหนึ่งว่าพวกมาลายนี้มันเกิดขึ้นเพราะคนนี้เอาปัญหานี้คนนี้เท่านั้นเองแก้ได้คนอื่นจะแก้ไม่ได้อย่างเช่นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในคราวสังขายาครั้งที่สองเราจะเห็นว่าพระชุดนี้เท่านั้นเองแก้ได้ ต่อไปมาถึงกลางนาครั้งที่สาพระโมกขลีบุตรเท่านั้นจะแก้ได้เพราะมัน ต, ต้องเตรียมตูวคนไว้แต่พระหันด้านมียานะฮะท่านรู้ว่าจะทํำยังไงใครเป็นผู้มีความสามารถในเรื่อ ง, งนี้ในทสุดก็แจกแบ่งพระบรมสารีการธาตุการแจกแบ่งในคราวนั้นเราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่เพียงสองอย่างหรือพระเจดีนี้จะมีอยู่เพียงสองอย่างคือส่วนที่เป็นพระบรมสารีการธาตุก็เป็นพระบรมสารีการธาตุ อส่วนที่ก็เห็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือโทนพราวในท่านประกาศตัวเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมนะฮะไอ้พูดมันง่ายนะแต่ ท, ทําได้จริงก็ยากเพราะในขณะที่ตรงไปตวงมาในท่านเผลอแป๊บเดียวท่านหยิบกระขี้แก้วใส่มวยผมได้เลยแสดงว่ายักยอกเนยนะแสะดงว่ายักยอกแล้วนะผู้พิทักษ์ความเป็นธรรมในยักยอกแสดง อันนี้คืออะไรคือตัวกระตุ้นนะหมายความว่าเรามีธรรมะเราก็คิดว่าเรามีธรรมะอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่พอไปเจอตัวกระตุ้นข้าวเนี่ยมันกระตุ้นกี่เด็ดเพราะกระเขี่ยวแก้วเนี่ยมันมีน้อยอนะฮะไระเที่ยวแก้วนะถ้าใครได้ไปแล้วมันก็เยี่ยไอ้ตัวกระตุ้นตัวเนี้ยทําให้ท่านเกิดความโลภความโลภ ก, ก็เสียศูนย์นะฮะก็เสียศูนย์ความยุติธรรมมันก็มีไม่ได้ ท่านก็ไม่ให้ความเป็นธรรมเพราะท่านจะแจกแบ่งพระองสาริกาธาตให้แก่ท่านเหล่านั้นให้สมยอมพร้อมใจกันนะฮะไม่ได้บอกจะแจกแบ่งให้ท่านนะฮะแต่ท่านเอาเสียก่อนแล้วไอ้ท่านเอาเสียก่อนแล้วนะะเหมือนกับแม่ครัวไปทําอาหารเนะี่ยกินได้ก่อนแล้วนะฮะได้ก่อนแล้วไอ้นั้นก็คือก็คือสัท้อนธรรมะที่เป็นรูปธรรมว่า เออมันก็กลายเป็นบุคคลประเภทที่สี่นะฮะถ้าเราเทียบเคียงกับสามประเภทแรกที่ว่ามาแล้วหมาความประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือมีธรรมะที่หนักแน่นพวกนี้ไม่หวนไหวแล้วแต่โทนัพรามเนี่ยมันก็กลายเป็นประเภทที่สองก็แบบพุทุชนอย่างพวกเราเราท่านๆเนี่ยนะคือหมาความว่าจุดหนึ่งในเรามีธรรมะแล้วนะแต่ว่าไอ้ตัวกระตุ้นที่มันแรงขันติกลายเป็นขันแตกเลยเอาไม่ได้นะ นี้ก็คือก็คือจุดที่เบี่ยงเบนหมายความว่าตรงนั้นขณะนั้นเรารักษาความดีไว้ไม่ได้ ท, ท, ทั้งๆดีพูดจาโน้มน้าจิตใจคนซึ่งก็ะเทือนกระหืดรือจะฆ่ากันได้เนี่ยเอาก็จริงสารักษาไม่ได้ท่านจึงถือว่าเรายัางยังวางใจในตัวเองไม่ได้นะผูทุชนทุกคนไม่มีใครอย่าไปคิดนะฮะอย่าไปคิดว่าตัวเองเก่ง อย่าไปคิดระวางใจได้นะอย่าคิดเรามั่นใจแล้วอย่างที่ท่านเล่าถึงคนคนหนึ่งไปสมัครเป็นนักการเมืองนะฮะไปถึงหัวหน้าพรรคการเมืองท่านก็บอกว่าคุณมันเป็นไม่ได้หรอกการเมืองในเขาเล่นกันแรงๆนะฮะก็ด่าดแรงๆถ้าคุณโกรธแล้วเนี่ยคุณก็เป็นนักการเมืองที่ดีไม่ได้ โอ้ยผมไม่กรธหรอกไม่ว่าจะว่ายังไงใส่ร้ายป้ายสียังไงยังไงก็ตานะฮะไม่โกรหัวหน้าพรรคการเมืองเลิกพูดเรื่องนั้นมาพูดเรื่องอื่นนะพูดเรื่องอื่นแล้วก็อ้องเข้าไปนะไปกระทบแม่กแกเฮมันข่าวเขาลือกันนะทุกซิบกันเนี่ยว่าแม่แม่ของคุณมีชูน้นะลุกขึ้นหน้าแดงเยจะต่อยอะไรก็น <laughs> <c oughs> ี่ เ, เห็นมาเห็นไหมคุณ คุณไม่อดทนนะก็ต้องการทดสอบเฉยๆต่ได้เองนะต้องการทดสอบเฉยๆแต่นั้นแล้วจุดอื่นก็ทำได้นะฮะกระทบกันมาเยอะก็ทาได้พอถึงจุดหนึ่งจะทนไม่ได้ก็แสดงว่าธรรมะมีแต่ไม่พอใช้ในบางเรื่องนะคล้ายๆกระพกสตางไปก็มีเยอะพอร่ควรนะแต่พอดีของมันแพงกว่านั้นนะ่ะนะ มันแพงกว่าเงินคือราคามันมากกว่าเงินในกระเป๋าเราซื้อไม่ได้่เราซื้อไม่ได้เราก็ไม่ได้ของนั้นการมีธรรมะมา ก, ก่อนแนวนั้นคือคิดแนวเนี้ยเราจะเห็นนะฮะว่าเรามีไม่ใช่ไม่มีแต่บางกรณีเราไม่มีไม่พอใช้มีพอใจตรงเนี้ยมันก็เกิดปัญหาแต่ถ้าสะการเทวราชพระเทวด า, าก็มาดูอยู่กันอยู่นะฮะกันอยู่กันแต่ว่าแต่ว่ามีใครเห็นนะะ ไม่มีใครเห็นให้เราสังเกตว่าเทวดาทั้งหมดยัยไม่มีใครเห็นมีพระอนุรุทธเห็นอยู่รูปเดียวนั้นนี่เพราะท่านเห็นด้วยเครื่องมือพิเศษท่านเห็นด้วยที่ประจักษสุซึ่งเป็นผลของอยาคือที่ประจักษ์สุขหยาทัศกาลเทวราชก็คมายต่อ <c oughs> คือทัศกาศเทราก็ไปเอาเข้ยวเขี้ยวแก้วนี่กลับไปเสียเอาไปประดิษฐานไว้ที่จุลามณี ที่เราพูดถึงไหว้ประจุลามณีก็คือไหว้เขี้ยวแก้วนะฮะไปไห ว, ว้ประจุลามณีนี่ประดิษฐานพระเมรีด้วยพระเมรีที่จะชาตจิตติษตัดแล้วกอธิษฐานโยนก็เป็นบนอากาศเป็นเรื่องของบารมีคนนะฮะค น, นะระดับประโพธิสัตว์นะะอย่าไปคิดทำวันก่อนเนได้ฟังหลวงพ่ออะไรนะ ทางภาคเหนือท่านพูดว่าที่เขาบอกกระพุทเจ้าอธิษฐานลอยถาดแล้วทวนไปแสน้ําในเนรัญจราไปนั่นไม่จริงอ่ะถาดอะไรลอยทั่วน้าำได้นะ่ะคุณลองไปลอยดูเดี๋ยบอกบอกโยมเนื่อพูดกันไปได้ยังไงโยมนั้นไม่ใช่พระโพธิสัตว์นี่นะถ้าลอยเสร็จจะ ต, ตกกลางคืนนั้นท่านจัดสรุแล้วมันบารมีขนาดนั้นแล้วมันไม่ฉะสาวมันชนเนี่นะ่าจะไปลอยอย่างนั้นได้ เสามัญชนมันก็ลอยไม่ได้นะที่ท่านลอยได้เพราะท่านไม่ใช่เป็นสามัญชนเพราะการอธิษฐานตรงนี้เพียงแต่ว่าอธิษฐานว่าการออกส่วยงามรรคธรรมคราวนี้จะถ้าตรัสรู้ธรรมะได้เนี่ยมวยผมอย่าตกลงมานะถ้าตกลงมาก็หมายความว่าท่านก็ไม่มีทางตรัสรู้ตาตกาัดก็ให้ความมั่นพระไทยน ะ, ะว่าอกค้นพบแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเราก็คุย่อยอับงวยผมไปแต่านั่นเองก็ไปไปรฏิสฐานไว้ วันจุลามณีจึงประดิษฐานสองอย่างคือพระเขี้ยวแก้วกับพระเมาลีก็ เ, เป็น ท, ที่จริงพระเมารีตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะฮะเป็นแก่หุติสัตว์เท่านั้นเองเพราะพระเมาลีคงไม่เป็นทาสไม่เป็นทาตก็คงเป็นผมธรรมดาไอเจอดีท่านโทนพราม พ, พอตรวจดูปรากฏว่า ไปคิ้วแก้วหายไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงเอะโวยวายขึ้นมาก็ไม่ได้ก็เพื่อนจับได้นะฮะามาสั่งขโมยแต่ในที่สุดก็ขอตุมพระตรุมพระที่ที่สมบตวงนะฮะสบตวงก็คล้ายๆกัจอกเล็กๆเอาไปบรรจุเป็นสถูปเรียกว่าตุมพระสถูปซึ่งเป็นตุมพระสถูปมันก็จัดกันในประเภทไหนคือประเภทบริโภคเกีนะฮะ ากข้างในประเภทบริโภคเกีรทีนี้พวกพระธาตุทั้งหลายที่เกลื่อนกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจแต่เราก็คล้ายเป็นสื่อที่จะน้อมใจแลนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นอุเทสิกะเจียรมันก็คล้ายๆกับพุทธรูปไปเลยนะมองในแนวพระพุทธรูปนะเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้นึกถึงพระพุทธเจ้ามันจะเป็นอะไรก็ตามนะเป็นรูป ถ้าเราไม่ได้ติดในตรงนั้นว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงก็เป็นพระธาตุเจดีย์ถ้าไม่จริงก็เป็นบริโภคไปเป็นหนูเทติกเจดีย์ในส่วนที่เป็นเครื่องใช้ก็เรียกว่าเป็นบริโภคทั้งหมดนะฮะในตอนหลังแล้วก็ส่วนที่เป็นอักษรจริกพระธรรมก็เรียกว่าธรรมเจดีย์การถวายพระเพลิงพระพุทธสริระของพระพุทธเจ้าหลังจากเก็บพระพุทธสริระไว้ได้เจ็ดวัน เหตุผลก็อย่างที่กล่าวแล้วนะฮะคือรอพระมหากัะตัพนั้นใแนวการเผาศพของพุทธจริงๆกระแสเดิมนะฮะก็แสดงว่าเป็นประเพณีไม่ใช่เป็นเป็นวิถีของพุทธเป็นการอนุวัตตามสังคมในยุคนั้นนะฮะหมายความว่าสังคมของอินเดียเนี่ยเขาตายแล้วต้องเผาให้เสร็จภายในยี่ิี่ชั่วโมง แต่ก็มีบางทีนะฮะคนใหญ่คนโตเช่ น, ช น, ชนท่านราชีพอะไรเนี่ยฮะอินดิราหรือมาตมาคันทีก็มีเก็บไว้กว่านะที่ิงก็กว่าแต่ไม่นานนะฮะไม่ได้เก็บไปนานก็เกินยี่บสี่ชั่วโมงไปแล้วนั่นเองต้องเผาให้เสร็จในวันนั้นหรือแสดงให้เห็นถึงใจที่ไม่ไม่ยุดมัน่นถือมันจริงๆกีไม่ได้เกี่ยวก่อในเรื่องนั้นจริงๆ แต่สังคมพูดเรานั้นมันเป็นรับกระแสที่มันเลื่อนไหลผ่านขนตมตงเนียประเพณีความเชื่ออะไรต่างๆมาเยอะมาในการศพเวลานี้เรารณรง์ชาวบ้านเนี่ยได้ผลเนนะฮะชาบ้านเริ่มเก็บเริ่มเริ่มตั้งศพน้อยลงแล้วก็เก็บศพเลยแต่แสบที่แก้ไม่ได้คือศพพระเก็บเป็นร้อยๆนะนะเก็บย่งเป็นร้อยๆวันนะลูกศิษย์ลูกหาก็สวดกัน พระก็สวดกันโยมก็เหน็ดเหนื่อยกันแต่ว่าก็ทํายากนะฮะตัวพระมันกลายเป็นคนเป็นคนที่คล้ายๆกับเป็นโคมของคนหลายๆคนฤกษสิทธิ์คนนั้นจะเอาอย่างนั้นรู้สิทธิคนนี้จะเอาอย่างนี้นะฮะอย่างที่ศิริราชเวลานี้เถียงกันอยู่ทุกวันนี่นะมันเจ้าเข้าเจ้าของมันเยอะคนทำเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันเยอะเลยแก้ปัญหายาก จริงก็เป็นความสิ้นเืองความสูญเสียไม่ใช่กระแสพุทธนะฮะเพราะถ้าเราต้องการที่จะทำจริงๆเนี่ยอย่างที่พระนลนั้นแสดงความเสียใจเมื่อภาษาริบุตรนิพพานพระเจ้าว่าสาริบุตรคนนิพผ่านไปเฉพาะตัวสารบุตรนะนแต่ว่าธรรมะของสาริบุตรมันก็ยังอยู่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ของสรีบุตรก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่เรียบร้อยนะเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจถึงธรรมะเหล่านี้เราจะไม่ยึดติดในตัวของอาจารย์ในตัวของพ่อแม่ในตัวของปู่ย่าตายายนะฮะกระสังขารมันก็ตายนะก็แตกทำลายแต่เราจะมองไปที่ธรรมะซึ่งครูบาอาจารย์ซึ่งพ่อแม่ถึ่งปู่ย่าตายายถึงผู้ใหญยย่ญยยเหล่านั้นท่านยึดถือเป็นแนวในการประพฤติปฏิบั ต, ติเป็นที่เคารพต้อง ถ, ถือสกอาลของคนทั้งหลายเนี่ยอะไรเ่ย ธรรมะอะไรแล้วก็ดึงเอาธรรมะเหล่านั้ น, นมาเป็นวิถีชีวิตของเราที่เรียกว่าเดินตามบนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วเป็นอนุชนเกิดมาก่อนแล้วก็เดินตามท่านไปเป็นการบูชาต่อท่านเหล่านั้นอย่างแท้จริงโดยการบูชาที่แท้จริงนั้นก็บูชาโดยการปฏิบัติธรรม แต่ไม่ได้ตรงเนี้ย ท, ที่จริงแล้วท่านท่านตั้งหลายได้โปรดสั้งเกตนะฮะคือเราเราไม่มองดูเองว่าทานสมมติว่าทานเนี่ยที่จริงมันเป็นอามิตรแต่อามิตรในตัววัตถุที่เราให้ใช่ไหมเช่นสมมติเราให้จีวรเนี่ยตัวจีวรเนี่ยมันเป็นอามิตรแต่ว่าเจตานาที่จะให้น่ะมันเป็นธรรมะแล้วพระเจ้าสอนเรื่องทานเอาไว้เพราะการให้ทานมันก็เป็นปฏิบัติบูบชาตัวเจตานามันเป็นปฏิบัติบูชา ตัววัตถุเนะี่ยมันเป็นตัวอมิตรไม่มีอะไรที่จะแยกออกขาดนะระหว่างปฏิบัติบูชากับอมิตรบูชาเนะี่ยสร้างกุติตัวกุติมันก็เป็นอมิตรบูชาตัวเจตนาสร้างกุติเป็นการปฏิบัติตามธรรมะของพระธเจ้าในการให้ได้อยู่อาศัยมันก็เป็นปฏิบัติที่บูชาเห็นไหมว่ามันไม่ได้แยกอย่างนั้นหรอกทีนี้เราพูดเราไม่มองว่าจริงๆมันมีอยู่สองอย่างมันคือตัวในกับตัวนอก ตัวนอกก็คือวัตถุก็คืออมิตรก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตัวเจตนานะตัวกรรมเนี่คือตัวเจตนาเจตนาหัางพิการพิการกังวดามิทุกอ่อนมิสูต่างหลายเรากล่าวเจตนาเอาเป็นกรรมตัวนี้มันเป็นกุศ ล, ลกรรมเป็นจากจาัดเจตนาเจตนาเจตสิทธิ์สลาเป็นทานามายัยเป็นบุญในสมเป็จโดยการบริจาคทานซึ่งพระพุทเจ้าทรงสอนไว้ในบุญญากริยาวัตถุนะสามรือยสิบก็ตาม เพราะฉะนั้นในทานเองมันก็มีปฏิบัติบูชาไม่ใช่อมิตรบูชาล้วนๆนะแม้แต่เวียนเทียนแม้แต่อะไรแต่ อ, อะไรที่เราทำจริงๆมันก็ทําทั้งสองอย่างนะั่นแหละแต่ว่าปฏบิบัติบูชามันมีผลยั่งยืนนะเราบางคนทำได้ทุกขนทุกแห่งไม่จําเป็นจะต้องไปวัดก็ได้นะฮะปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันวิสาขาตมีนะจึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนได้ราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า แล้วก็ทำใจให้สัมผัสคุณของพระองค์ด้วยการปฏิบัติธรรมจะเป็นทวนของอามิตรหรือส่วนของธรรมะหรือผสมกันทั้งสองอย่างก็ตามเพื่อใช้เวลาของชีวิตในช่วงนี้ในขณะนี้ให้เพิ่มพูณคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้นตามกับของความสามารถ วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข็อความจเจริญ ง, ง่อกวามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านตื่น